อาบน้ำอาบข้าแล้วก็น่าจะสดชื่นขึ้นนะพอสดชื่นขึ้นนี่ก็น่าจะมีสติที่มันจำชัดขึ้นพอสติจำชัดขึ้นก็ทำให้งมๆํำบากขึ้นนิดหนึ่ง นักมวยนี่เวลาเขาเข้ามุมใช่ป่ะเราว่าต้องให้น้ำพักนิดหนึ่งให้น้ำให้มันสดชื่นขึ้นอันนี้เราก็เป็นนักรบที่นักรบแบบสู้กิเลสต่อสู้กับกิเลสในใจของตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรมากสู้ตรงที่ว่า เราคอยมีสติรักษาใจอยู่มีสติให้มันเท่าทันจิตใจมีสติที่ไม่แช์เชียร เ, เลื่อนหลงไปไหนมีสติที่มันมันตื่นไม่เหนื่อยตื่นรู้เป็นสติที่มันทำให้ใจเราเบิกบาน บางคนแบบว่าอาจจะดูเนื่อยๆอันนั้นก็คือใจมันไม่เบิกบานใช่ไหมเวลาที่ใจมันมีอารมณ์เดียวเปรี้ยวๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะยากนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันแยกยากระหว่างสงบแล้วผ่องใสสงบแล้วก็หดหูมันก็มีสองอย่างนะ คือมันไม่วุ่นวายกับข้างนอกก็จริงเข้ามาอยู่ข้างในก็จริงแต่มันไม่เบิดบานเนี่ยมันก็ง่ายที่จะไปหดหูเศร้าหอมองอยู่นิดไม่นั้นก็ต้องพยายามทําให้มันชื่นชื่นเป็นจิตที่มันตืบขึ้นไม่ไม่แช่เชียนให้ใจมันเบิดบานมันก็จะไม่ไม่ไปในไข่ที่ว่า เราดูเราเข้าสมาธิแล้วเราก็เอ๊ทําไมใจเรามันซึ้งเสื่อมใจเรามันดูไม่ค่อยมีพลังเวลาที่เราเข้าสมาธิแล้วใจมันซึ้งเสื่อมดูไม่ค่อยมีพลังอันนั้นมันก็เขาเรียกว่ามันขาดเขาเรียกปัจ ส, สถานพดชมคือความเปนเพิงใจเฉื่มชื่นใจพดชงก็คือ คุณเครื่องที่จะทำให้บรรลุธรรมได้ก็มีเจ็อย่างสติสังคตชนิดตนอันนี้ก็ถ้านั้นเราก็ทำให้มันมีปสัสสติด้วยคือความชื่นชื่นความเบิกบานในใจใจเรามันจะได้ไม่เหนื่อยไม่ไม่หลงไปกับความเหนื่อย มันก็กิเลสล่อหลอกเราไป น, นะถ้าใจเรามันหมองๆใจเรามันดูไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยมีพลังนี่มันต้องแต่ว่าคอยดูแล้วมันกิดสังเกตก็ต้องคอยแก้ไขกันไปก็เหมือนอย่างที่บอกเวลาแล้วที่เราปฏิบัติไปเราก็ทำให้มีคุณสมบัติของพุท ธ, ธให้เกิดขึ้นในใจของเรา คือไม่ต้องเป็นสัมมาสัมพุธทธะหรอกเอาเป็นแค่อนุพุธทธะก็ได้มันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันคือผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานมีความเบิกบานมีความช่ำชื่นประกอบอยู่ในจิตใจเข้าสมาธิไปมันก็ทำให้ใจเราเนี่ยมันมีพลังที่จะทำต่อไปเรื่อยๆได้ เวลาที่ใจของเราอยู่กับลมหายใจเครื่องผูกคือลมหายใจอยู่กับาคาบริกรรมพุทโธย อ, ยอย่างนีอารมณ์ในใจเรามันก็จะค่อยๆสงบระงับลงสงบระบงับรงแล้วก็มีอารมณ์ที่มันเป็นอันเดียวตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องไป เวลาที่เราฟังไปแล้วเราก็พยายามคิดตามเลนะสภาวะโดยปกติแล้วเนี่ยคือใจเรามันจะไหลออกไหลเนยเออกไปเห ม, มือนคนเมื่อยลอยนะเมื่อลอยไปตามความคิดใจมันก็ไหลออกไปเรื่อยๆเพราะนั้นการฟังฟังให้มันมีประสิทธิภาพก็คือเราต้องเก็บใจเราเอาไวขไ้ข้างในพยายามคอยสังเกตว่าความใส่ใจของเราตอนเนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ ความใส่ใจของเรามันไหลอารมณ์ของน้องมันไหลออกไปทางความคิดทอดอารมณ์ไปอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าไม่ดีแต่ถ้าใจของเราก็ยังมีความกระตือรือร้อนอยู่ในภายในมีความใส่ใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับคําบริการพุทโธอยู่ได้นะมันก็เป็นอะไรที่มันถูกต้อง คือบางทีเราอาจจะกลัวว่าเฮ้เราอยู่กับพุโทโธเราอยู่กับลมหายใจแล้วเราจะฟังไม่รู้เรื่องโดยปกติแล้วเราทําอะไรหลายๆอย่างควบคู่กันไปอยู่แล้วนะอย่างบางทีเรากินข้าวไปแล้วก็คุยกับเพื่อนไปแล้วก็ทําได้ใช่ไหมอย่างบางทีประชุมไปเรายังนั่งกดมือถือไปมันก็ยังไปประชุมรู้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้น การที่เราฟังแล้วเราก็ตั้งใจเอาไว้ก็เรียกว่าสัด ส, ส่วนของใจของเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนหลักดีกว่าเป็นส่วนหลักแล้วแน่นอนแหละมันก็จะต้องมีได้ยินเสียงบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็ค่อยค่อยฟังไปแต่ความใส่ใจของหลักๆของเราเราก็ยังอยู่ที่คำบริกรรม พุทโทรหรือลมหายใจเข้าหายใจออกของเราอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยมันต้องได้ความสงบแน่นอมนมาได้ความสงบแล้วเราเราเอาอารมณ์ใจสงบของเราเนี่ยตรองตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอันนั้นก็ยิ่งทําให้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันไม่ถูกกักเอาไว้อยู่แค่ความคิดความจํา แต่มันก็จะไหลลงไปในเป็นความรู้สึกในใจของเราเหมือนที่ครูบาอาจารย์ก็จะใช้มักจะพูดกันนะฟังเทศก็คือฟังด้วยหูแต่รู้ด้วยใจไม่ได้ฟังด้วยหูรู้ด้วยความคิดไม่ใช่ฟังด้วยหูรู้ที่ใจก็คือเวลาที่เรามีสมาธิมีอารมณ์ที่มันแน่วแๆเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนมันจะทําให้ เสียงที่เข้าไปเนี่ยมันเข้าไปถึงใจเราได้อารมณ์ของความสงบเนี่ยมันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมที่ทำให้ความคิดความจำที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันไหลลงไปในใจให้มันเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ในใจมีความทรัพย์ซึ้งในความจริงเกิดขึ้นในใจฉะนั้นก็คนที่ มีใจที่อารมณ์สงบดีแล้ว เ, เราก็อยากให้ใจของเราเนี่ยมันขีน้เกียจเราก็ต้องพยายามที่จะเอาอารมณ์ของเราที่มีเนี่ยเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็คือว่าเอามาคิดพิจารณาให้มันเข้าใจสิ่งต่างๆต่างกว่ า, า, า, วาเป็นจริงด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรา สังเกตคนที่มีทุกข์มากกับคนที่มีทุกข์น้อยเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วเราก็พิจารณาดีๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีทุกข์มากๆส่วนมากก็คือคนที่มีเงื่อนไขความสุขที่มันซับซ้อนมีเงื่อนไขความสุขที่มันไม่ค่อยตรงตามความเป็นจริงเท่าที่ควรเช่นเราบอกว่าเรากินข้าว เพราะอะไรเพราะเราหิวข้าวใช่ไหมแต่พอเราบอกว่าเราอยากกินข้าวอันนี้ร้านนี้เมนูนี้อย่างนี้พอเราไม่ได้กินปุ๊บมันก็ทุกสองต่อต่อแรกก็คือหิวข้าวต่อที่สองคือได้อยากได้สิ่งไหนแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เป็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจทุกกายด้วยทุกใจด้วย สองต่อเลยเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่าเรากินข้าวเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ความหิวนี่มันดับลงไปใช่ไหมเราก็กินอะไรก็ได้ตางเงื่อนไขที่มันมีนะตอนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันก็ทําใหช้ชีวิตของเราเงื่อนไขมันไม่ซับซ้อนพอมันไม่ซับซ้อนเราก็เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะของเงื่อนไขความสุขไม่ซับซ้อน ความทุกข์ที่มันจะมีมาถูกต้องกับจิตใจมันก็ลดน้อยลงไปเพราะว่าเราเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เรากินไปใช่ป่ะก็ เ, เพื่ออะไรเพื่อดับความหิวแต่พอมันมีกิเลสในใจมันทําให้เงื่อนไขความสุขของเรามันซับซ้อนขึ้นว่าเฮ้ยไหนๆเราจะกินแล้วเราต้องได้รสชาติอย่างนี้เราต้องได้บรรยากาศแบบนี้ต้องไปกับคนนี้อย่างนี้เป็นต้นพอเราไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครบ ตามเงื่นไขฉันไม่พอใจนี่เป็นต้นแต่ถ้าเราตัดเงื่นไขที่ซับซ้อนของกิเลสคนนี้ออกไปใช่ไหมเราไม่ต้องไปกับคนนี้ก็ได้เราอาจจะมีเมนูอื่นที่ไม่ใช่เมนูนี้แต่เราก็กินได้นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็อิ่มเหมือนกันร่างกายเราก็ได้รับสารอาหารที่มันคู่ควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ชีวิตเรา สบายขึ้นอยู่ง่ายขึ้นมีเรื่องกระทบใจที่มันน้อยลงอันนี้ก็รับพิจารณาภายนอกไปแต่สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราควรจะมาพิจารณาให้มันเข็นถึงความเป็นจริงของตัวเราด้วยคือจะพิจารณาอะไรมันมีเรื่องพิจารณาให้เยอะแยะไปหมดมากมายหลายสิ่งหลายอย่างแต่หลักๆที่ ครูบาอาจารย์พาแนะนําหรือพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเอาไว้ก็คือให้มาพิจนารณาถึงตัวของเราเองร่างกายของเราเองเป็นหลักเพราะนั้นก็ให้มาคอยดูคอยรู้ถึงความจริงที่เรียกว่าเราว่ามันเป็นยังไงคนเรามันประกอบไปด้วยยังไงบ้างถ้าเราดูภายนอกเนี่ยมันก็มีอะไรมีผมขน เล็บฟันหนังใช่ไหมเข้าวๆ้าก็าแบบนี้ซึ่งถ้าบางทีเราจะแยกละเอียดลงไปมีตามีหูมีจมูกอะไรก็ว่ากันไปทีนี้พอมาเป็นอนี้เพิ่มเนี่ยความเป็นจริงที่พระเจ้านําเสนออีกอย่างก็คือว่าเราลองดูซิว่ามันเป็นของสะอรดไหมมันเป็นของน่ารักน่ายินดีพอใจไหมก็ลองคิดดูว่า ถ้าเราตั้งทิ้งไว้สามวันห้าวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ทําอะไรมันเป็นยังไงอย่างผมเนี่ยเราไม่สับห้าวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งเนี่ยนะมันก็อยู่ลําบากเงี้ยนะไปไหนมาไหนมันก็มันก็มีกลิ่นที่ไม่ไม่น่าพอใจดีไม่ดีก็ขดๆกันเป็นก้อนๆนะ น้ำไม่ะอาดห้าวันเจ็ดวันไม่ต้องห้าวันเจ็วันหรอกเอาแคข้ามวันนี่างเงี้ตอนร้อนหน่อยเนื้อออกเยอะเยอะมันก็แสดงถึงความเป็นจริงที่เราเห็นนัแหละว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สอาดเป็นของปฏิกูลใช่ป่ะเพราะนั้นการที่เราพิจารณาเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวแต่เอาใจของเราเนี่ยรองตามไปด้วย เอาความสงบเอาความรู้สึกในใจของเราเนี่ยลองตามไปด้วยก็ไล่ไปนั่นแหละตั้งแต่ผมลงมาเลยซึ่งถ้าจะนั่นก็พิจาณาถึงของเราด้วยของคนอื่นด้วยของเร า, าตั้งไว้ เอาของคนที่เรารักด้วยมาตั้งเอาไว้เอาของคนที่เราไม่ชอบมาตั้งไว้ด้วยตั้งเรียงกันไว้อย่างเงี้ยติ๊ดๆติเติต๊ยเวลาที่เรามองตัวเราเราก็รู้สึกอย่างหนึ่งพอผ่านไปห้าวันเจ็วันมันสกุกปรบแล้วก็รู้สึกอย่างหนึ่งเวลาเราเห็นคนที่เรารักก็แบบหนึ่ง เพเขาเปลี่ยนไปวันเจวันน้ำเนื้อไม่อาบไม่ดูแลรักษาให้ดีมันก็มีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปแบบหนึง่งเอาอย่างคนที่เราไม่ชอบเอามาตั้งไว้มันอาจจะไปอาบน้ามาแล้วก็ได้แต่เรามองเขาเราก็รู้สึกแบบหนึง่งสิ่งที่มันมีกับความรู้สึกในใจจริงเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราเห็นนี่ะ แต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นจริงไหมเอาแค่ตัวเรากไปตอนที่เราไปอาบน้าแล้วเรารู้สึกยังไงเรามองตัวเราเรารู้สึกยังไงพอทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งทั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องอาบไม่ต้องรักษาไม่ต้องขัดถูสีเฉยีบางอะไรมันผิวหนังก็แห้่ดําๆเคือเิๆไปขี้ใครเกาะใช่ไหมมีเหงืาเราออกก็เหม็นเปรี้ยวนั่นแหละ ฟันไม่ได้แปลงมันก็อาปากมานี่กลิ่นมันก็พุ่งเข้ามาในจมูกเราเลยพอมันอยู่กับเรานี่มันก็ยังพอทนใช่ไหมแต่พอมันส่งไปให้คนอื่นเนี่ยความรู้สึกมันยิ่งลำบากกว่าทำใจลำบากกว่าเก่าสมมติเอาของคนรักเรานี่ยแหละฟันไม่แปลงสักเดือนหนึ่ ง, งนี่เนี่ยเราจะ รู้สึกยางไงตอนเขาเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยมันก็จะต่างกันกับตอนที่ว่าอาบน้าแปลงฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะสะอาดสะอานอยความรู้สึกก็เปลี่ยนไปที่พูดมาทั้งหมดคือคือจะจะให้เห็นนัแะว่าจริงๆแล้วมันเป็นถ้าเราเปรียบเป็นวัตถุใช่ป่ะก็เป็นวัตถุชิ้นเดิมเป็นวัตถุก้อนเดิมนั่นแหละ จริงๆแล้วมันควรจะมีความรู้สึกที่มันไม่น่าจะต้องเปลี่ยนไปอะไรเท่าไหร่แต่พอน้ำไม่อ่าฟันไม่แปลงเงี้ยเราก็ถึงวัตถุอันเดิมนั่นแหละนะแต่พอเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใจเราก็เปลี่ยนไปมีความรู้สึกกับใจที่เปลี่ยนไปมันเป็นของชิ้นเดิมอ่ะจริงๆมันควรจะต้องมีผลต่อใจเท่าเดิมนะแต่ด้วย ด้วย ค, ความประมวลผลของใจของเราเองไงนะความเรื่องมากของใจของเราเองมันก็เลยทําให้ความรู้สึกที่มันมีต่อใจมนเปี่ยนไปอันนี้อาจจะดูแล้วงงงงนิดหน่อยอลองเหมือนกับเราเปิดหนังออกมาเนี้ยเปิดหนังออกมามันชีกหนังออกมาเลยแล้วก็จะเห็นเนื้อแดงๆนั่นแหละเนื้อแดงๆอาจจะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลอย่างเงี้ยนะ เแายังรู้สึกยินดีพอใจกับความสวยความงามของเขาอยู่หรือเปล่ามันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมก็เกิดเป็นความรู้สึกที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวขยะแขยงมากขึ้นมันแทนที่เลยนะนี่มันก็เป็นคําถามอะไรว่าตกลงแล้วเนี่ย มันก็เป็นคนเก่านะคนเก่าแล้วเรารักกันตรงไหนเราชอบกันตรงไหนความสวยความงามมันอยู่ตรงไหนเราก็บอกว่าก็ตอนที่เราไม่ได้ดึงหนังออกมาไงอันนี้แสดงว่าเราก็ชอบที่หนังของเขาจบไหมแต่พอเราดึงหนังออกมาอย่างเดียวมันเป็นเสื้อหนังอะไรเงี้ยนะ เราก็ไม่ได้ยินดีพอใจเท่าไรความรักความยินดีมันก็ไม่ได้อยู่บนผิวหนังนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นพอที่จะเห็นถึงความตลบตะแลงของใจของเราว่าจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกยินดีพอใจความรักความเอ็นดูต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่า เ็เทียบเคียงกันไปนั่นแหละดูดูมันไปสำคัญก็คือสติที่ที่ลมหายใจสติที่มันไม่แช่เชื้อเรือนหลงสติที่อยู่เฉพาะหน้าอันนี้ให้สติมันจดจออยู่กับ ลองหายใจจดจ่ออยู่กับการบริการพุทธัวอันนี้ให้ดีเอมันจดจ่ออยู่ดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยพิจารณาต่อไปให้ค่อยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของใจเราเนี่ยแหละเพราะจริงๆแล้วนะมันใจของเรามันก็มีความเห็นแปลกๆ แ, แต่มันอาจจะไม่รู้สึกแปลก แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีมันก็จะแปลกก็เหมือนอย่างที่บอกไปอย่างเราบอกว่าเรารักกันรักกับคนนี้อินดีจะอยู่กันไปตราบชั่วฟ้าดินสลาย่ยานแต่พอแบบว่าแค่เอาผิวหนังออกไปแค่นั้นแหละมันยังรู้สึกรักกันเท่าเก่าอยู่ไหม ถ้ามันไม่เท่าก็ต้องลองถามดูว่าแล้วอะไรที่ที่มเปลี่ยนไปแล้วมันทําให้มันเปลี่ยนไปจะบอกความรักเราอยู่ที่หนังเ พ, เพราะเมื่อกี้มันมีหนังไงมันก็ทําให้ความรักเราอยู่ที่หนังช่วงเวลาเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วมันอยู่ตรงไหน ถ้ามันไม่มีคำตอบให้กับตัวเองได้นะแสดงว่าใจเรามันมีความเห็นแปลกๆไงอันนี้แหละมันเป็นความเรียกว่าเข้าใจแบบไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ที่มันเป็นมานะแต่ดั้งแต่เดิมนะอันนี้เขาเรียกว่า เข้าใจของจริงเข้าใจเรื่องจริ ง, รงใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ ป, ปฏิเสธความเข้าใจทางสมมุติแบบเก่าๆหรอกนะอยู่บ น, นโลกสมมุติใบนี้มันก็ต้องใช้สมมุติแบบนี้นั่นแหละแต่เป็นกาว่าเราก็พิจารณาให้มันเห็นถึงความเป็นจริงไปด้วยเราจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มัวเมาหลงติดเข้าใจผิดอยู่ในสมมุติแต่โดยไถ่เดียว เพราะกันที่เราเข้าใจถึงความเป็นจริงได้ดีใจเรามันก็จะได้ไม่เห็นผิดพอไม่เห็นผิดมันก็จะไม่ยึดไม่ถืออะไรแบบผิดผิดพอไม่ยึดไม่ถืออะไรแบบอีกผิ ด, ผดเราก็ได้ปล่อยได้วางอารมณ์ที่มันมากระทบใจได้ง่ายคนรักกันเนี่ยแน่นอนแหละ มันก็ยังอยากจะอยู่ด้วยกันไปอยู่เรื่อยๆไม่อยากพัดเปลา่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่เราพอเราลองพิจารณาให้ดีเราก็จะเห็นนั่นแหละว่าสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยมันมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งจากกันไปมันความตายมันเป็นเรื่องของที่ยังไงซกทุกคนต้องเจอแน่นอน ความตายมันเป็นของเที่ยงที่ใครๆก็ต้องเจอเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแหละจะเกิดกี่คนกี่คนมันก็ตายทุกคนเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เวลาที่มันมีความรักปิดบังใจมากๆเราก็จะไม่ค่อยอยากจะพัดพลากกันไปเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เวลาที่จะต้องพัดพลากจากกันจริงๆมันก็ทำใจลำบาก พอมันทำใจลำบากก็แน่นอนเป็นทุกข์ง่ายทุกข์มากแล้วก็ทุกข์นานแต่พอเราคอยพิจารณานอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆ อ, อยู่เนืองๆว่ามันเรามีความพลัดลรากเป็นธรรมดาความพลัดลรากมันก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งที่ยังไงเราต้องเจอแน่นอนและเวลาที่ความพลัดพรากมันมาถึงจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ เขเรียกว่าทุก์ในแบบที่จําเป็นต้องทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์ที่มันเกินเกินความจําเป็นเพราะเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเวลาที่มันมีความรักมากๆไม่อยากพัดพปล่ามันก็ยอมรับความเป็นจริงไม่ได้พอไม่ยอมรับความเป็นจริงพอความพัดเปล่าตายจากมันมาจริงมันก็แน่นอน ทุกเยอะเรายังอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่แต่แน่นอนแหละคนรักกันตายจากกันไปอีกคนหนึ่งพิจารณาดีแล้วว่าโดยความพัดพรากมันก็ยังไงก็ต้องมาถึงสักวันนึงแต่แน่นอนแหละมันไม่ใช่ว่าเขาก็จะไม่เศร้านะมันก็ต้องเศร้านั่นแหละเพราะความพัดพรากมันก็เป็นทุกอย่างนึงแต่เขาเรียกว่าทุกในแบบที่มันควรจะต้องทุกแล้วก็ไม่ได้ทุกนานเกินความจําเป็น ก็ปล่อยวางอารมณ์ที่มันเกาะกินจิตใจอยู่แต่การพิจรารณามันก็ไม่ได้แค่ว่าอยู่ที่ความคิดเน่เราก็ต้องพิจารณาให้สอนลงไปในใจเราให้ใจเรามันเชื่อฟังด้วยอย่างบางคนบอกเออมัน มันต้องตายจากกันไปคุยกันอยู่ทุกวันทุกวันมันต้องตายจากกันไปแน่นอนสอนสอนอยู่เรื่อยแต่ใจมันไม่ยอมรับสติหนึ่งว่าใจมันก็ยังเอารักเขานะเราไม่อยากคลาดคลากจากกันไปนะใจมันยังตอกย้ำกับความรู้สึกนี้อยู่ถึงเราจะสั่งมันยังไงเราจะบอกมันยังไงีเนี้มันยากมันยากที่ใจมันจะคลายจากความรู้สึกอย่างนั้นออกไปเะ เวลาที่เราสอนใจเนี่ยมันต้องสอนลงไปในใจเลยสอนให้มันถึงใจนงให้มันเข้าไปแจ้งแจ้งอยู่ในใจของเราพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราถึงจะเรียกว่าเอาความคิดเอาการพิจารณาที่เราพิจารณาถึงใจดีแล้วเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราก็จะได้เอามาใช้ให้มันมี ได้อย่างประสิทธิภาพนะมันก็เห็ น, หนกันนั่นแหละบางคนทำใจง่ายบางคนทำใจยากซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดคนทำใจง่ายก็คืออะไรเพราะว่าเขาเข้าใจตามความเป็นจริงนั่นแหละอย่างคนที่ทำใจยากปล่อยวางยากเพราะว่าเพราะว่าใจเขามันย้อนแย้งกับความเป็นจริงมันสวนทางกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็มี ความจริงไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะเราก็รู้กันอยู่นั่นแหละแต่ว่าใจมันยังไม่ได้คล้อยตามไม่ได้ยอมรับไม่ได้เอาความจริงให้มันประจักษ์แจ้งอยู่ที่ใจมันเป็นความจริงที่มันจําได้เฉยเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าสมาธิการที่เรามีจิตที่มันตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวแบบนี้เนี่ย มันเป็นสภาวะที่ดีที่มันจะทำให้ใจของเราเนี่ยมันมันพร้อมมันง่ายที่จะยอมรับความเป็นจริงเข้าไปที่ใจอย่างแน่นอนะคนเราเวลาที่มันมีอารมณ์ความรักเกาะยินเกาะเกี่ยวบังใจอยู่เนี่ย จะไปบอกว่าไอ้คนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่สวยไม่งามอย่างนี้เนี่ยใจมันก็ต้องเฉียงกันอยู่แน่นอนใจมันต้องค้านแน่นอนแต่การ<น>ที่เรามีความสงบมีใจเป็นกลางมีอารมณ์ที่มันเป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ลำเอียงเพราะความรักมันไม่ได้ลำเอียงเพราะความหลงมันไม่ได้ลำเอียงเพราะความโกรธเหล่านี้ใจมันก็เป็นกลางกลาง เพราะนั้นอารมณ์จากความรักอารมณ์จากความไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลกับใจเราลดลงพอมันมีผลลดลงเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยได้รับการอบรมได้ดีกว่ากว่าที่มันมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์ หลงมึนไม่รับรู้อะไรกาะยิมอยู่พราะฉะนั้นการที่เราเข้าสมาธิมันก็จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันพร้อมพร้อมที่จะอยู่ในสภาพที่จะได้รับการอบรมศึกษาได้อย่างดีพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละก็พยายาม สงบแล้วก็เอามาพิจารณานด้วยพิจารณาคือการที่เราเอาอารมณ์ในใจของเรานี่ยมาตรองตามความเป็นจริงไปนอกจากความไม่สวยไม่งามแล้วเนี่ยเราก็ลองดูสิว่าไอ้ที่เราเห็นว่ามันอันนี้ผู้ชายนี้ผู้หญิงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องจริงช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละใช่ปะ่ะอ่าอย่างเช่น อ่วันนี้ผู้หญิงวันนี้ผู้ชายอ่ไม่ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยเอาหมาเอาแมวมาด้วยถ้ า, าง่ายๆก็จับโยนลงไปในเอเครื่องบทเนี้ยเอามีเครื่องบดใหญ่ๆแล้วก็จับเอาทั้งเราด้วยตัวเราด้วยเอาคนรักลงไปด้วยเอาสัตว์เลี้ยงลงไปด้วยแล้วก็บทโม่ไปเงี้ยนะบดไปบทไป มันก็สับไปเรื่อยๆสับจนละเอียดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อ ย, นะ เ, ย เ, นเนี่ยพอเทออกมาปุ๊บเนี่ยเราแยกไม่ออกนะว่าชิ้นเนื้อนี้มันเป็นของคนหรือว่าเป็นของสัตว์เป็นของหมาของแมวหรือว่าของผู้ชายของผู้หญิงอย่นีเราก็ดูไม่ออกแห่งความเป็นคนความเป็นสัตว์มันก็หายไปหมดเลยมันกลายเป็นว่าเราเห็นเห็นอะไร เลยเห็นแต่ความที่มันเป็นชิ้นเนื้อชิ้นหนังหรือกระดูกแข็งแข็งแค่นั้นแหละเราก็ระบุได้แค่ว่าอ๋ออันนี้นะเศษเนื้อนนะอันนี้เศษหนังนะอันนี้เศษกระดูกนะอันนี้อาจจะเป็นเศษผมเศษขนนะอะไรอย่างนีเป็นต้นเราระบุไม่ได้ว่าอันนี้เป็นหมาหรือเปล่าเป็นแมวหรือเปล่าเป็นควดหรือเปล่าเป็นผู้ชายไหมหรือว่าเป็นผู้หญิง เราก็ระบุไม่ได้แล้วสภาพมันมันมีเท่ากันก็คือว่ามันเป็นเศษเนื้อเศษเลือดเศษกระดูกนั่นแหละซึ่งถ้าเราเอาทั้งหมดเนี่ยเอาไปเผาไฟเอาเข้าเข้าเตาเตาเผานะเข้าเตาเผ า, า, า, า, า, าให้ดีเลยไฟแรงๆหน่อยเราก็จะเห็นเนี่ยว่ามันออกมามันเหลืออะไรมันก็เหลือแต่ กองกองี้เท่านะถ้าแข็งๆหน่อยก็เป็นกองแบบกองฐานกองกระดูกอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งระบุไม่ได้เข้าไปใหญ่ว่ามันเป็นเศษเนื้อแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เท่ากันไปหมดเป็นแบบขี้เท่ากองนึงไอ้ตอนที่มันเป็นเศษเนื้อเศษหนังอะไรเงี้ยมันยังพอเห็นว่า เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมแต่พอเข้าเตาเผาออกมาแล้วเนี่ยความรู้สึกก็คือมันก็เป็นแค่กองง่ายๆก็เหมือนเป็นกองดินกองนึงน่ยความมีชีวิตที่เราจะรู้สึกกับมันได้ก็ไม่มีแล้วอย่างท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของธาตุเช่น เปนประกอบของธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมที่มันมาประชุมกันมีจิตมีวิญญาณของเราเนี่ยมาถือครองธาตุอันนี้แล้วก็สมมุติว่าอันนี้แบบนี้เรียกคนนะแบบนี้เรียกสัตว์นะแบบนี้ผู้ชายนะแบบนี้ผู้หญิงน ะ, ะถ้ามีสีขาแบบนี้เห่าฮ้องๆเนี่ยเราก็เรียกหมานะจะมาพันไหนก็ว่ากันไปถ้าไม่มีปีกบินๆ น, นี้เราก็เรียกนกนี่เป็นตน้น แต่ น, นี้มันก็เรียกว่าจริงไหมมันก็เป็นจริงตามสมมติน่ะแต่ถ้าเอาจริงแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเขียนว่าสมมติความเป็นคนความเป็นสัตว์เนี่ยมันมีแค่ชั่วระยะเวลาเดียวเท่านั้นมันไม่จริงเขาเรียกว่าไม่จริงแท้ความจริงแท้ของมันก็คือมันก็ประกอบกันเป็นมาจากทัดดินทัดน้ําทัดไฟทัดลมพอเวลามันตายปุ๊บมันก็คืนสภาพเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไป เพราะนั้นไอ้ความที่มันประกอบประชุมการจับทาสี่อันนี้เนี่ยอันนี้จริงแท้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นศาตร์เป็นบุคคลเป็นตัวตนแม้เป็นเราเนี่ยมันแค่ชั่วระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองมันไม่ใช่จริงแท้แน่นอนแต่เวลาที่เรามาถือครองอัตภาพอันนี้แล้วเนี่ยเราเอาเป็นจริงเป็นจังกับมันแบบ แบบจริงจังแล้วก็ไม่รู้จะจริงจังแบบยังไงก็คื อ, คอจริงจังแบบจริงจังใจเราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยมันไม่จริงแท้หรอกความเป็นคนแบบเนี้ยมันจริงแท้แน่นอนมันจริงแท้ในใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนให้มันเห็นความจริงแท้แท้ว่าเออมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา มันเป็นแค่ช่วระยะกาเวลาหนึ่งเท่า น, นั้นแหละที่มันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเรานะเป็นเขานะเพราะฉะนั้นความยึดถือที่เราจะถือว่าอันนี้เราอันนี้เขาเราก็จะได้ผ่อนผ่อนมันลงไปบ้าง เราจะได้เห็นว่าเออเวลามันตายจากกันไปแล้วมันก็ไม่มีเราไม่มีเขาหรอกนะจะเอาอะไรกับมันมากตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยทรัพย์สินหนึ่ ง, งทองที่มีมันก็ไม่ใช่ของเราแท้หรอกตายไปมันก็ยกให้ลูกให้หลานไปนั่นแหละเพราฉะนั้นอยู่อย่างไม่ให้ขาดคุณดีกว่าอยู่อย่างไงให้อยู่แล้วเนี่ยใจของเรามันเป็นกุศล หลีกไกลาจากอากุศลตั้งหากอันนี้มันเป็นสาระที่มันมีสาระมากกว่ามากกว่าที่เราจะทํางานหาเงินแล้วก็ไม่ใช่ปฏิเสธเรื่องทํางานหาเงินนะเราก็ทํางานหาเงินนั่นแหละแต่เราเพื่อให้ชีวิตของเรามันดําเนินไปได้อย่างอย่างอย่างพอเหมาะพอสม เพราะว่าคนเราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ปัจจัยสี่มันก็ต้องต้องไม่ขัดแคลนนะมีของกินมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่แล้วก็ป่วยไข้มันก็ต้องมียารักษาเพราะฉะนั้น4อย่างเนี้ถ้ามันไม่บริบูรณ์เนี่ยคนจะมาปฏิบัติทำให้ใจสบายใจพ้นทุกข์เนี่ยมันทํายากเพราะว่าถ้า4อย่างนี้มันขัดแคลนปุ๊บเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่มันจะกวนใจมาก ทำความสมบูก็ยากเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถ้ามีปัจจัยสี่ที่มันบริบูรณ์แล้วเนี่ยบริบูรณ์คือให้มันไม่ขัดแย้งเลยนะพอมันเหมาะสมในตามฐานะของเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีมเรียกว่ามีเครื่องบิดเบียนกายกับใจน้อยลงเราก็จะมุ่งมั่นทําความสมบูทางใจได้ดีขึ้นเราก็จะเห็นสาระสําสคัญ ของการที่ทํางานหาเงินเพื่ออะไรเพื่อปัจจัยสี่แต่ไม่ใช่ทำงานหาเงินแล้วมีความสุขจากการที่เรามีเงินมากๆเราก็จะลดทอนความเห็นแบบนั้นลงไปเราก็เราจะเห็นถึงว่าความสุขเนี่ยสุขจริงๆเ่ยมันอยู่ที่ใจความสุขของใจอ่ะกินอิ่มนอนหลับเนี่ยมันสุกกายใช่ป่ะแต่ถ้ายังเบื่อเศร้าเหงาเซ็งอย่างเงี้ยมัน มันยังไม่เป็นต่อยู่แหละแต่ถ้าเราไม่ได้กินข้าวแต่ใจเราสบายอย่างเงี้ยป่วยกายจะไม่ป่วยใจเพราะฉะนั้นความสุขทาใจมันสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เรารดูแลจิตใจได้อย่างดีอันนี้มันสำคัญมากนันสาระสำคัญก็คือว่าเราจะดูแลจิตใจของเราอย่างไงในอัตภาพอันนี้ให้มันดีให้มันมีกุศลมากกว่าอกุศล นี้แล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังจากผู้รู้นักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อัตภาพนี้นะอัตภาพก่อนก็มีตายไปเดี๋ยวเราก็ได้อัตภาพอันใหม่อีกถ้าเรายังยังทาที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้น สาระสำคัญมันก็อยู่ตรงที่ว่า เ, เราก็ต้องมาดูแลจิตใจของเรานะให้มันมีกุศลห่างไกลาจากอกุศลน ะ, ะนให้มันห่างไกลาจากความไม่รู้นะให้มันรู้ตามความเป็นจริงให้มันมากขึ้นนะเราก็จะได้ใช้ใช้เวลาใช้อัตภาพของเราได้อย่างคุ้มค่าจริงๆกับสิ่งที่เราได้มา ก็เหมือนอย่างที่บอกอะเงินทองบ้านรถตายไปเอาไปไม่ได้สักอย่างหนึง่งแต่ที่มันจะไปกับเราได้จริงๆก็คือบุญและบาปแล้วก็นิสัยที่เราสั่งสมเอาไว้นิสัยของใจเนี่ยมันจะติดติดไปได้เอาไปได้อย่างบางคนเกิดมาเนี่ยก็ดูใจบุญสุนทานดีอย่างบางคนเกิดมาก็ดูแบบจิตใจอยากกระด้างหน่อย ตั้งแต่เล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นตัวบ่งชี้นี่แหละว่าจริงอันนี้มันเป็นของเก่าที่เขาสะสมมาแต่บางคนฟังทำเข้าใจง่ายบางคนอาจจะต้องฟังหลายๆรอบหน่อยอย่างเงี้ยมันก็พราะว่าเขาก็สั่งสมความรู้ความเข้าใจมาเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นสมบัติที่มันนําพาต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้น อันนี้มันเป็นทรัพย์ของเราโดยแท้ทรัพย์ที่เราจะเอาไปได้จริงๆเพราะนั้นพอเันเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่มัวเมากับทรัพย์ที่เราต้องทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้เราก็จะมุ่งมั่นอยู่กับทรัพย์ที่เราจะเอามันไปได้จริงๆทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลออกมาจากจุดเดียวก็คือที่เรามีสติคอยรักษาใจ ก็ทำความสงบใจมีสติทักษาใจให้อารมณ์มันตั้งมั่นเป็นหนึ่งแล้วก็คอยที่จะอย่าละเลยที่จะนามาพิจารณาให้มันเห็นถึงความไม่เที่ยงละไม่มีสาระแกี่ยนสามที่เราควรจะเอาใจไปผูกกำมันมากจนเกินไป